จเจริญพรสาธยายดยมผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546ตรงกับวันแรงแปดข้าเดือนสามเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนาเป็นวันฟวามธรรม การที่มาวัดกันอยู่อย่างสม่าเสมอทุกๆวันพระเพื่อมาทำบุญให้ทานรักษาศีลังเทศทำธรรมปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นการเจริรโลงที่พระพุทธเจา้าทรงได้ประทานไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ประพฤ้นปฏิบัติตามเพื่อจะได้ไปสู่ความสุขความเจริญความพ้นทุกข์พ้นจากการเวีนว่ายตายเกิดทางที่พูะเจ้าได้ทรงนำเนินมาและนำมาสั่งสอนให้าศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมนั้นเรียกว่าทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทาเหตุที่เรียกว่าเป็นทางสายกลางก็เป็นเพราะว่าเป็นทางที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการแสวงการพ้นทุกข์ด้วยวิธีที่ผิดอยู่สองด้านด้วยกันฝ่ายหนึง่งมีความเห็นว่าการที่ จะพ้นทุกข์ได้ก็คือการหาความสุขให้มากๆคือหาความสุขจากการมาคนห้ารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณพ์ซึ่งไม่ใช่เป็นทางที่จะทำให้พ้นทุกข์เป็นการทาให้ค้นทุกข์ในชื่อขณะหนึ่งในเวลาที่ไม่มีความสบายใจ เราก็ได้ออกไปเที่ยวได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโอสพะที่ถูก อ, อกถูกใจก็ทำให้เกิดความสุขอยู่ขณะหนึ่งในขณะที่ได้สัมผัสแต่หลังจากนั้นแล้วก็หายไปก็ผ่านไปทิ้งไว้แต่ความว้าวว้าวเวออ้างว้างเปล่าเปลี่ยวทิ้งไว้แต่ความ ถิวความกระหายความอยากทิ้งไว้แต่ความทุกข์ความไม่สบายใจจึงไม่ใช่เป็นทางที่ทำพาให้ไปสู่ความสุขการหุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงอีกด้านหนึ่งของผู้ที่ใยพ้นายหาความพ้นความให้พ้นจากความทุกข์ ไฟหาความสุขด้วยการทรมานตนโดยไม่เกิดประโยชน์พวกนี้มากจะเป็นพวกตุลย์สีฉีภัยที่คิดว่าการไม่สวงหาความสุขใดๆในโลกนี้เลยให้อยู่แต่ให้อยู่กับความยากกับความลำบากนั้นจะนำพาไปสู่การ้นทุกข์ไปสู่การอยู่ความสุขที่แท้จริง เช่นไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ตัดผมไม่โกนหนวดไม่หรือว่าทรมานตนด้วยการนั่งอยู่บนตะปูเพื่อให้เกิดอาการเจ็บปวดแล้วจะได้พ้นจากการเจ็บปวดนั้นหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเอง ก็ทรงเคยได้ทดลองด้วยการอดพระกายอาหารถึง49วันก็ทรงเห็นว่าก็ไม่สามารถดับทุกข์ภายในใจได้ใจก็ยังมีความทุกข์มีความกังวลมีความกลัวมีความว้าวุ่นตัวอยู่เหมือนเดิมจึงทรงเห็นว่าการทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆ ก็ไม่ใช่เป็นทางที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์และในทางกับกันการหาการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะอย่างที่คนส่วนใหญ่แสวงหากันด้วยการไปเที่ยวไปดูหนังดูละครไปกินเหล้าเมายาไปเสพกลางกันก็ไม่ใช่เป็นทาง ที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะพระพุทธตก็ได้ทรงประพฤติมาเหมือนกันในสมัยที่เป็นราชกุมารก็อยู่ท่ามกลางความสุขของการคุณห้าแต่ก็ไม่ได้ทำให้พระทัยของพระเจ้านั้นสงบเย็นสบายไม่มีความว้าวุ่นขุ่นมัว ไม่มีความกังวลไม่มีความทุกข์ไม่มีความกลัวก็ไม่มีไม่ไม่ปรากฏขึ้นจากการที่ได้เสกกลางสุดทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าทางทั้งสองทางนี้ไม่ใช่ทางยังได้ท่อนองทางที่สามที่อยู่กึ่กลาง ร, ระหว่างทางทั้งสองทางนี้นั่นก็คือทางทางแห่ง มักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัสรูพบหลังจากที่ได้ทรงปฏิบัติอยู่ถึงแปดถึงเวลาหกปีด้วยกันจึงได้ทรงตัสรูในพระอริยสัจสี่ทรงตัสรู้เห็นทุกเห็นสมุทยัยต้นเหตุของทุกขเห็นที่โรดการดับทุกข์และเห็นมักวิถีทาง ที่จะนําไปสู่การสิ้นทุกข์นะเมื่อทรงตัดสู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติแล้วจึงมีความมั่นใจเพราะว่าตนพระองค์ท่านเองได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วและได้พบกับความสุขที่แท้จริงจึงได้นําเอามักคือการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกนี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกผู้ที่มีจิตศรัทธาหลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปปฏิบัติก็จะได้ประสบพบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงนี่จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนที่ มาวัดกันอยู่เป็นประจำเพื่อที่มาเจริญมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ให้ดำเนินนั่นเองมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นก็ทรงสแสดงไว้ด้วยหลายลักษณะด้วยกันแต่ก็เป็นมรรคอันเดียวกันต่างแต่ชื่อเท่านั้นบางครั้งพระพุทธรูปก็จะทรงสแสดงมรรคว่ามีองค์แปคือมีสัมมาทิฏฐิความ เห็นที่ถูกต้องสัมมาสามกโปความคิดที่ถูกต้องสัมมากรรมโตการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชิโวอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายาโมวความภาคเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติสติการรู้ที่ถูกต้อง สัมมาสมาธิการตั้งมั่นของใจของจิตใจที่ถูกต้องนี่คือมรรคที่มีองค์แปบางครั้งก็ทรงแสดงเป็นศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็มาจากมรรคที่มีองค์แปดเช่นกันเพราะศีลก็คือสัมมากรรมันโตการกระทำที่ถูกต้อง สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชีวการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องสมาธิก็คือสัมมาสมาธิปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปส่วนสัมมาวายาโงกับสัมมาสติคือความภาคเพียรที่ถูกต้องและการระลึกรู้ที่ถูกต้องนั้น ก็เป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนการเจริญศีนสมาธิปัญญาผู้ใดเจริญศีนสมาธิปัญญาย่อมจำต้องมีสัมมาวายามวายาโความภาคเพียงที่ถูกต้องมีสัมมาสติการร ะ, ล, ะลึกรู้ที่ถูกต้องถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถเจริญศ <c oughs> ีนสมาธิปัญญาได้ เช่นญาติอยู so well, ่เวลามาที่วัดก็ต้องมีสติรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรรู้ว่ากําลังมาวัดว่ารู้ว่าจะต้องมาทําอะไรก็เตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของมาเตรียมจิตเตรียมใจมาเพื่อที่จะมาประกอบเกียรที่พึงกระทําก็เรียกว่าสัมมาวยาโม การความภาคเพียนที่ถูกต้องมาทำความดีมาละความชั่วนั่นเองนี่ก็คือมรรคที่มีองค์สามเรียกว่าศีลสมาธิปัญญา บ, บางครั้งพระองค์ก็ทรงแสดงมรรคไวอ้อีกรูปหนึ่งเรียกว่าทานศีลภาวนานี่ก็เป็นมรรคที่มีองค์แปดเช่นกันเพียงแต่เพิ่มทานเข้าไป เพราะทรงสอนให้กับข้ารหัสผู้ครองเรือนข้ารหัสผู้ครองเรือนนั้นยังมีความยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าถองเงินทองต่างๆจึงจำเป็นต้องสอนให้เสียสละด้วยการให้ทานเพราะการจะไปสู่การพ้นทุกข์ได้จะต้องปล่อยวางทรัพย์สินสมบัติเข้าของสิ่งภายนอกทั้งหลาย ถ้าจิตยังมีความผูกพันมีความยึดมั่นถือมั่นอุปทานอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้จิตใจมีความว้าวุ่นขุ่นมัวมีความกังวลมีความทุกข์มีความไม่สบายใจจึงต้องสอนทานศีลภาวนาไว้ให้กับข้าหัสผู้ขอบเรือน ส่วนศีลก็เหมือนกับศีลในศีลสมาธิปัญญาคือสัมมากรรมันโตกายการกา ร, การกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชิวการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องเหมือนกันส่วนภาวนาก็หมายถึงการเจริญสมาธิและปัญญานั่นเองก็เหมือนกับ ศีล ส, สมาธิปัญญาที่พระพุทธองค์จะทรงสอนให้กับพระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมเวลาสอนพระภิกษุผู้ปฏิบัติพวกบวชนี้จะไม่สอนเรื่องทานเพราะว่าพระภิกษุผู้ออกบวชนี้ได้เสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไว้หมดปหมดไปแล้วไม่มีเหลืออยู่ตัวแล้ว เวลามาบวชก็มาตัวเ ป, ป, ป, ปล่ามาด้วยศรัทธาไม่ได้เอาทรัพย์สินเงินทองเท่าของติดตัวมาด้วยไม่ได้เอายศถาบรรดาศักดิ์ติดตัวมาด้วยได้เสียสละไปหมดแล้วจึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องสอนเรื่องทานให้กับพระภิกษุนักบวชทั้งหลายแต่ถ้าเวลาสอนให้กับคารวะ ยังต้องสอนเรื่องการให้ทานอยู่จึงมีจึงทรงสอนทานศีลภาวนาถ้าสอนให้กับนักบวชก็จะทรงสอนศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ขยายความไปสู่ <c oughs> มรรคที่มีองค์แปดตั้งแต่สมาธิฏิไปจนถึงสัมมาสมาธิมรรคที่มีองค์แปดนี้ไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาก็ดี ศีล ส, สมาธิปัญญาก็ดีหรือที่มีองค์แปะก็ดีนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเจริญไปพร้อมๆกันเพราะว่ามรรคนี้เปรียบเหมือนกับรถยนต์คันหนึง่งมีส่วนประกอบหลายๆส่วนด้วยกันเช่นมีล้อมีเครื่องยนต์มีตัวถังมี พวงมาลัยมีคันเร่งมีเบรกมีอะไรหลายๆลายอย่างด้วยกันจำต้องมีสิ่งเหล่านี้ในการที่จะทำให้รถยนต์นั้นวิ่งไปได้เวลารถยนต์วิ่งก็ไปพร้อมๆกันทั้งหมดทั้งลอ้อทั้งเครื่องยนต์ทั้งกระบะทั้งตัวถังทั้งพวงมาลัยทั้งเบรกทั้งคันเร่งนี้ไปพร้อมๆกันหมดฉันใดการเจริญมรร เช่นทานสินภาวนาศินสมาธิปรรัญญาหรือมักที่มีอกแตก <c oughs> ก็ต้องเจริญไปพร้อมๆกันต้องมีการทำบุญให้ทานอย่างสม่ำเสมอต้องมีการรักษาศิลอย่างต่อเนื่องต้องมีการเจริญจิตภาวนาเจริญสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน เหมือนกับเวลารับประทานอาหารก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบทุกอย่างที่มีความจำเป็นต่อการทำให้ร่างกายอยู่ไปได้โดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคือต้องรับประทานข้าวต้องรับประทานกับข้าวรับประทานของหวานผลไม้รับประทานน้ำร่างกายจึงจะได้สารอาหารที่ครบถ้วน ทำให้ร่างกายเจริญเติบโ ต, ต, ตอยู่ไปได้โดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยฉันใดการบำเพ็ญเจริญธรรมคือเจริญลนะักที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็ต้องบำเพ็ญกันพร้อมๆกันไปไม่ใช่แยกกันทําทีละขั้นซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนบางบางคนบางท่าน อาจจะยังไม่เข้าใจก็คิดว่าตอนนี้ขอแค่เพียงทำทานอย่างเดียวก่อนไม่รักษาศีลไม่ไหว้พระสวนมนต์ไม่ปฏิบัติธรรมบางท่านก็ขอทำทานและรักษาศีลแต่ยังไม่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เจริญมรรให้ครบองค์แปดหรือถ้าขับรถก็ไม่ได้เอารถไปทั้งคันรถ บางทีเอาเอารถไปแต่ไม่เอารอไปรถมันก็ไปไม่ได้มันก็ไปไม่ถึงไหนมันต้องเอาไปทั้งคันรถถึงจะสามารถไปได้ <c oughs> ฉะนันใดการที่เราปฏิบัติธรรมเจริญมากตามแนวทางที่พู้เจ้าทรงสั่งสอน <c oughs> ก็ต้องมีการปฏิบัติตามที่พู้เจ้าทรงสอนไว้คือต้องปฏิบัติไปพร้อมๆกันทั้งหมด ทานเราก็ต้องทำศีลเราก็ต้องรักษาจิตตภาวนาเราก็ต้องเจริญถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นแล้วผลที่เราปรารถนาก็จะไม่ค่อยปรากฏขึ้นมาเพราะว่าองค์ประกอบไม่บริบูรณ์ <c oughs> ไม่ครบนั่นเองเหมือนกับการรับประทานอาหารที่ไม่ครบก็จะทำให้ร่างกายเจ็ <c oughs> บไข้ได้ป่วยได้บางทีไปหาหมอ หมอเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าร่างกายขาดสารอาหารบางชนิดเท่านั้นเองถ้ากินอาหารให้ครบทุกส่วนแล้วสารอาหารก็จะได้ครบร่างกายก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นดาการที่จะทำให้เราใจของเรามีความสุขทำให้ใจของเราไม่มีความทุกข์ ไม่ความไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลก็ต้องเกิดจากการจเจริญมัรให้ครบทุกทุกส่วนนั่นเองดังนั้นจึงขอให้เราจงพยายามจเจริญทานศีลภาวนาก็ดีศีลสมาธิปัญญาก็ดีหรือมรรคแปะก็ดีให้ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะว่าเมื่อเราได้ทําครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว ผลที่ประเสริฐที่เลิศคือการทนจากความทุกข์การมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจไม่มีความว้าวุ่นขุ่วงไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความทุกข์ความอะไรอาวรต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาใน ใ, นใจของเราและเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจของเราแล้วใจของเราจะไม่ขวายคว้า จะไม่มีความหิวไม่มีความอยากกับอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรากยศสารเสริญหรือกามสุขทั้งหลายในจิตใจจะไม่มีความคิดที่อยากจะมีเลยเพราะรู้ว่าราบยศสารเสริญกามสุขนั้นหาใช่เป็นความสุขไม่แต่เป็นความทุกข์เพราะว่าเป็น ใจลับนั่นเองเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครบังคับให้อยู่กับตัวเองไปได้ตลอดเวลาเมื่อบังคับไม่ได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไปหลงไปยึดไปติดเข้าก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมา <c oughs> ผู้ที่ได้จเจริญมรรคของพระเจ้าแล้วย่อมมีปัญญา ร่อมย่องเห็นได้ด้วย <c oughs> ตามสภาพความเป็นจริงว่าลาบยศสละเสริญการมมาสุขไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ใช่เป็นความสุดเลยมีเป็นแต่ความทุกข์จึงไม่เคยที่จะคิดที่จะเข้าไปหาลาบยศสละเสริญการมมาสุขเลยมีแต่จะถอยออกมีแต่จะหนีไม่เข้าไปเกี่ยวพันด้วย ถ้าจําเป็นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวพันุ์ด้วยเช่นมีศรัทธาญาติโยงนําปัจจัยข้าของต่างๆมาถวายมาให้ก็จะไม่ยึดไม่ติดจะไม่หลงคิดว่าเป็นของของตนจะไม่หลงคิดว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุข ก, กับตนแต่รับไว้ด้วยความ <c oughs> เกรงใจก็ได้หรือ รับไว้เพื่อสนองฉลองศรัทธาของผู้ที่เขายังมีความจำเป็นที่ยังต้องทำบุญทําทานอยู่ก็รับเขารับไว้ให้กับเขาเพื่อเขาจะได้สำเร็จประโยชน์เขาจะได้บุญได้กุศลแต่ผู้รับนั้นก็จะไม่ได้เอาเก็บไว้เพื่อใช้สำหรับตนเลยมีแต่จะนำเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป เช่นเอาไปทําสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์บางทีก็ไปช่วยสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆหรือให้ทุนการศึกษากับผู้ด้อยโอกาสหรือสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากที่ไม่มีใครเหลียวแลถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เป็นนักบวชกต็ตามถึงแม้จะไม่ใช่เป็นคนดีเลิศกต็ตาม แต่หลักมนุษยธรรมนั้นก็ยังมีความจำเป็นอยู่ระดับใดถ้าคนถ้ายังมีคนที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเขาเองได้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องพาเขาไปหาหมอให้เขาได้รับการรักษาถ้าเขาไม่มีอาหารรับประทานแล้วเขาไม่สามารถที่จ ะ, จะหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้ ก็ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องดูแลเขาแต่ช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาได้ช่วยตัวเองเช่น เ, เขาล้มก็ช่วยให้เขาลุกขึ้นมาเพื่อให้เขาเดินไปได้ต่อไปแต่ไม่ได้ช่วยแบบแบกเขาไปตลอดเวลาหามเขาไปตลอดเวลาทําให้เขากลายเป็นคนพิการไปถ้าช่วยแบบนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ช่วยที่ถูกต้องช่วยเขา เพราะว่าเขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเองได้เมื่อเขาช่วยตัวเขาเองได้แล้วเขาก็ไม่ต้องไปรบกวนไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยผู้อื่นดังนั้นหลักมนุษยธรรมจึงเป็นหลักที่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกัน แม้กระทั่งโจรผู้ร้ายเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ยิงได้รับการบาดได้รับบาดเจ็บขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องนำไปส่งโรงพยาบาลไปรักษาให้เขาหายเสียก่อนเมื่อเขาหายแล้วจึงค่อยนำเขาไปดำเนินคดีต่อไปนี่ก็คือหลักของการเจริญ <c oughs> มรรคนั่นเองการไม่เบียดเบียนผู้อื่น คือการไม่ทําบาปทั้งปวงการทําแต่กุศลคุณงามความดีและการชําระจิตให้สะอาดหมดจดคือละทิเลสตันหาที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการเจริญมัคคุศินสมาธิปัญญาหรือทานสีนภาวนาเป็นวิธีที่จะทําให้จิตใจสะอาดหมดจดเป็นวิธีที่จะทําให้ใจ ประสบกับความสุขที่แท้จริงทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราจึงต้องมาวัดกันอย่างสม่าเสมอและนอกจากเวลาที่เราไม่ได้มาวัดแล้วเราก็ยังจาเป็นที่จะต้องบำเพ็ญต่อไปเพราะการบาเพ็ญ น, นั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะมาบำเพ็ญที่วัดอย่างเดียวการบำเพ็ญที่แท้จริงนั้น สามารถบำเพ็ญได้ทุกแห่งทุกคนเพราะสิ่งที่เราบำเพ็ญนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแลสถานที่เพราะสิ่งที่เราบำเพ็ญนั้นก็คือกายวาจาใจของเรานั่นเองเราอยู่ที่ไหนเราก็มีกายมีวาจามีใจเราจึงต้องเจริญสัมมาสติคือการเราเลืกรู้อยู่อย่างตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวทางกายทางวาจา ทางความคิดนั้นคือทางใจนั้นอย่างไรเราต้องมีสติและลึกรู้อยู่เสมอต้องตามรู้อยู่เสมอว่าในขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังพูดอะไรอยู่เรากําลังคิดอะไรอยู่สิ่งที่เรากําลังพูดกําลังคิดกําลังทําอยู่นี้ถูกต้องหรือไม่เป็นสัมมารหรือเป็นมิจฉา ถ้าเป็นสัมมาก็ทำต่อไปถ้าเป็นมิจฉาคือไม่ถูกต้องเป็นความผิดก็ต้องระ ง, งับทันที mm hmm. เช่นเรากำลังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่หรือเปล่า mm hmm. ถ้าเรากำลังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เราก็ต้องหยุดทันที mm hmm. เวลายุง ม, มาเกาะเราตกยุงอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีสัมมาสติเราไม่มีการระลึกรู้ถึงการกระทาของเรา ถ้าเรามีสติพอมือจะไปตียุงเข้าก็ต้องรู้แล้วว่ากำลังเป็นมิจฉาเป็นการกระทาที่ผิดก็ต้องหยุดดังนั้นการเจริญที่สําคัญอย่างยิ่งของมรรคแปดนี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจริญอยู่ตลอดเวลาก็คือสัมมาสติการระลึกรู้อยู่ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไป จำต้องมีสติร <ety> ู้อยู่เสมอว่ากาลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรหรือกำลังจะพูดอะไรกำลังจะทำอะไรหรือกำลังทำอะไรต้องรู้อยู่ว่าเป็นสัมมาหรือเป็นมิจฉาคือถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องระงับถ้าถูกต้องก็ทําไปเลยเพราะการกระทาที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้อง ความคิด ท, ท, ที่ถูกต้องนี้จะนำมาสึ่งความสุขความเจริญนั่นเองส่วนการกระทาที่ไม่ถูกต้องที่เป็นมิจฉาก็จะทำให้เกิดผลเสียตามมาผลร้ายตามมาทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นดังนั้นเราจึงต้องมีสติ ด, ดูเราดูความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจอยู่อย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง ใจของเราเพราะการกระทาําทางกายทางวาจานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการกระทาําทางใจเสียก่อนใจต้องคิดก่อนแล้วจึงค่อยสั่งการไปที่กายและวาจาจึงต้องดูใจเราดูความคิดเราอยู่เสมอว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่ดูอารมณ์ของเราว่าอารมณ์ของเราขณะนี้เป็นปกติหรือเปล่า มีความโลภหรือเปล่ามีความโกรธหรือเปล่ามีความหลงหรือเปล่ามีความอยากหรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าใจของเราเริ่มไปในทางที่ไม่ชอบแล้วไปทางมิจฉาแล้วต้องระงับดับเสียด้วยการเจริญ <c oughs> กรรมฐานบทใดบทหนึ่งเช่นเจริญพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือเจริญปัญญาไปก็ได้ สอนตนบอกตนว่ากำลังคิดไม่ดีกำลังสร้างปัญหาให้กับตัวเองเวลาโรค ก, ก็ต้องบอกว่าต้องถามตัวเองว่าจำเป็นไหมสิ่งที่เราต้องการถ้าเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการดำรงชีพเช่นต้องรับประทานอาหารต้องมีเสื้อผ้าใส่ต้องมีบ้านอยู่ต้องมียารักษาโรคถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภถือว่าเป็นความจาเป็น แต่ถ้ามีเกินความจําเป็นเช่นตอนนี้เสื้อผ้าเราก็มีพอใส่แล้วอาหารเราก็มีพอกินแล้วบ้านเราก็พออยู่แล้วยารักษาโรคเราก็พอมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่พอใจยังอยากจะได้บ้านที่ใหญ่โตขึ้นกว่าเดิยังอยากจะมีเสื้อผ้าเพิ่มมากขึ้นไปยังอยาก <c oughs> จะมีอาหารพิสดารราคาแพงๆรับประทาน อยากจะรักษาโรคในโรงพยาบาลที่มีราคาสูงสๆแพงๆถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วแสดงว่าเรากำลังโลกเรากำลังหลงเมื่อเราโลกเราหลงแล้วใจของเราจะต้องว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาใจของเราจะไม่เป็นปกติจะไม่อยู่นิ่งเฉยเป็นอุเบกขาได้จะต้องออกไปเดินรนหาสิ่งเหล่านี้มา แล้วเมื่อหามาได้แท่งที่จะเป็นความสุขกับกายเป็นความกังวลเพราะจะต้องรักษาสิ่งเหล่านั้นให้มีให้อยู่กับตรงไปนานๆซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเพราะว่าทุกคนต้องทำมาหากินต้องหาเงินหาทองและการหาเงินหาทองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาแบบง่ายๆยังมีแต่เรื่องราว ที่จะทำให้เกิดความว้าวุ่นขุ่นวัวกับจิตใจอยู่แบบไม่รู้จักหยุจักยังยังมีความจำเป็นที่จะต้องห้างการพางโลกความหลงนีดญญ้ด้วยใช้ปัญญาโดยดูพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวทั้งหลายเป็นตัวอย่างว่าปัจจัยสี่ของ